ทำไมพวกเราที่มาปฏิบัติธรรมกันมาฟังเทศฟังธรรมกันจึงมีความยากง่ายไม่เหมือนกันบางคนปฏิบัติง่ายบางคนปฏิบัติยากบางคนฟังธรรมแล้วก็เกิดความเข้าใจ บางคนฟังแล้วก็ไม่เข้าใจนั่นเป็นเพราะว่าเรามีความรู้ความสามารถมีสิ่งที่เป็นอุปสรรคขวางกาั้นการปฏิบัติธรรมนี้มากน้อยไม่เท่ากันนั่นเองเพราะในอดีตของพวกเราเราอาจจะ สะสมะบนหรือบาปแลกุศลหรืออกุศลมาไม่เท่ากันนั่นเองจึงทำให้เรามีกุศลหรืออกุศลไม่เท่ากันมีกิเลสมากน้อยไ ม, ไม่เท่ากันตัวที่ทำให้การปฏิบัติธรรมยากนี้ ก็คือกิเลสนี่เองส่วนการที่จะบรรลุธรรมได้ง่ายได้เร็วหรือช้านี่ก็อยู่ที่ความฉลาดของแต่ละคนคนเรานี่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความรู้ความฉลาดไม่เท่ากันไม่ฉะนั้นนักเรียนที่เรียนหนังสือนี้ต้องสอบได้คะแนนเท่ากันหมด ถ้ามีความรู้ความฉลาดเหมือนกันแต่ลราคนนี้มีความรู้ความฉลาดไม่เท่ากันจึงทําให้เวลาเรียนหนังสือเวลาสอบจึงได้คะแนนไม่เท่ากันนี่คือสิ่งที่ทําให้ผู้ปฏิบัตินี้บางคนก็ปฏิบัติง่ายบางคนก็ปฏิบัติยาก บางคนก็เข้าใจง่ายบางคนก็เข้าใจยากเข้าใจเร็วเข้าใจช้าอันนี้ขึ้นอยู่ที่ปัญญาปัญญาแหลมคมหรือปัญญาทึบปฏิบัติง่ายหรือปฏิบัติยากก็อยู่ที่กิเลสหนาหรือบางถ้าปฏิบัติ ถ้ากิเลสหนาก็จะปฏิบัติยากเพราะเพราะกิเลสจะคอยต่อต้านการปฏิบัติเหมือนเหมือนมีผู้คอยมาขวางทางจะเดินทางไปไหนรู้สึกว่าจะถูกไอ้นั่นขวางไอ้นี่ขวางมีเครื่องกีดขวางเต็มไปหมดผู้ที่กีดขวางการปฏิบัติทมก็คือกิเลสของเรานี้เอง ส่วนผู้ที่ทําให้เรารู้เร็วหรือรู้ช้าบรรลุธรรมได้เร็วหรือบรรลุธรรมได้ช้าก็อยู่ที่ปัญญาของเราเนี่ปัญญาบารมีเราสะสมปัญญาบารมีมามากน้อยไม่เท่ากันอความรู้ความฉลาดจึงไม่เท่ากันบางคนฉลาดแหลมคม บางคนทื่อปัญญาทึบเนี่ยจึงทำให้มีการปฏิบัติยากง่ายบรรลุธรรมช้าเร็วต่างกันไปทางาศาสนาจึงแยกผู้ปฏิบัติไว้เป็นสี่กลุ่มด้วยกัน เหมือนโรงเรียนสมัยนี้เรียนหมหนึ่งยังมีทับหนึ่งทับสองทัสามทับสี่เพราะแต่ละกลุ่มนี้มันมีความรู้ความฉลาดไม่เท่ากันมีกิเลสมากน้อยต่างกันเขาจึงมีการทดสอบคัดเลือกเอาเด็กที่อยู่ในระดับเดียวกันเรีนอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เด็กที่อยู่คนระดับมาเรียนอยู่ในกลุ่มเดียวกันเดี๋ยวสู้เขาไม่ได้หรือว่าถ้าฉลาดกว่าเขาก็จะนาโด่งไปคนเดียวก็เลยต้องมีการจัดแบ่งกลุ่มทางาศาสนานี้ก็มีการจัดแบ่งกลุ่มโดยธรรมชาติคือไม่มีใครมาจัดให้ธรรมชาติของผู้ปฏิบัตินี้ มันจะเป็นผู้จัดกลุ่มเองกลุ่มที่หนึ่งนี้คือพวกที่ปฏิบัติง่ายแล้วก็รู้เร็วคือพวกที่ปัญญาอัากเลตบางปัญญาฉลาดแหลมคมเป็นพวกที่ปฏิบัติง่ายนั่งสมาธิก็ง่ายนั่งเดียวเดียวห้านาทีจิตก็สงบเนี่ย พอฟังทำรรพออ่านหนังสือทำรรก็บรรลุธรรมได้เลยเข้าใจนี่เป็นกลุ่มที่หนึ่งพวกนี้ได้ขัดเกา่ากิเลสมาหลายภพหลายชาติแล้วก็ได้สะสมปัญญาบารมีมาหลายภพหลายชาติด้วยกันจึงเป็นกลุ่มที่หนึ่งคือ ปฏิบัติง่ายแล้วก็บรรลุเร็วกลุ่มที่สองนี้เป็นพวกที่ปฏิบัติง่ายแต่บรรลุช้านคือพวกนี้อดีตเคยกำจัดกิเลสขัดเกาอกิเลสมาอยู่เรื่อยๆจึงทำให้มีกิเลสบางกิเลสที่จะมาคอยต่อต้านการปฏิบัติธรรมมีน้อยจึงทำให้ปฏิบัติธรรมได้ง่าย แต่ไม่ได้สนใจในการศึกษาลรําเรียนไม่ได้สนใจในการสะสมปัญญาบารมีจึงเป็นพวกที่มีปัญญาทึกแต่กิเลสบางพอมาปฏิบัติธรรมก็จะปฏิบัติง่ายนั่งสมาธิก็สงบได้ง่ายได้เร็วแต่พอไปขั้นปัญญานี้จะไปช้าแล้วกว่าจะเข้าใจทมแต่ละคานี้ ต้องนั่งคิดนั่งอ่านอยู่หลายรอบด้วยกันอันนี้จังเป็นยังไงทุกขังเป็นยังไงอนัตตาเป็นยังไงพวกนี้จะเข้าใจช้าบรรลุชา้าเพราะปัญญาทึกแต่กิเลสบางก็เลยอยู่ในกลุ่มที่สองคือพวกที่ปฏิบัติง่ายแต่บรรลุชา้ากลุ่มที่สาม คือพวกที่ปฏิบัติยากแต่บรรลุเร็วนีพวกนี้ก็คือพวกกิเลสนะแต่ปัญญาฉลาดแหลมคมเวลาจะปฏิบัติธรรมนี้จะมีกิเลสต่อต้านเยอะมีนู่นมีนี่คือมีนี่วอนหาเนี่ยนละคือกิเลสมีการมฉันทะ <c oughs> ยังชอบกินชอบเที่ยวชอบดื่ม ชอบเล่นชอบดูหนังฟังเพลงพอจะให้ไปปฏิบัติทำแต่ละครั้งนี้แมมันไม่อยากไปฮอหรือพวกที่มีอารมณ์โกรธง่ายโกรธคนนั้นโกรธคน น, นี้อาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมพวกนี้ก็ไปปฏิบัติยากหรือพวกที่มีโมหะความหลง ไม่เชื่อคำสั่งคำสอนของผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าเชื่อก็สั ช, ชอบลังเลสงสัยมีข้อสงสัยเต็มไปหมดจึงทำให้ไม่มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหรือพวกที่ชอบกินชอบนอนพวกนี้ก็พวกเกียรติกานการ นี่คือกิเลสที่คอยกีดขวางการปฏิบัติธรรมให้ทมใจให้สงบแต่พวกนี้เป็นพวกที่ชอบคิดชอบอ่านชอบใช้ความคิดมีสติปัญญาที่ฉลาดแหลมคมถ้าเป็นคนทั่วไปก็เป็นพวกฉลาดแกมกง มีความฉลาดแต่ฉลาดไปในทางของกิเลสเพราะมีกิเลสนาะวกนี้ก็จะคิดหาเงินหาทองด้วยวิธีเคาะช่อโกงต่างๆนี่คือพวกที่มีปัญญาแหลมคมแต่มีกิเลสหนาะพอมาปฏิบัติธรรมก็จะปฏิบัติยากแต่พอผ่าน อุปสรรคของก้านของกิเลสได้ทำใจให้สงบได้พอมาใช้ปัญญาไปในทางที่ดีก็บรรลุทำได้อย่างรวดเร็วในกลุ่มที่สามคือพวกที่ปฏิบัติยากแต่บรรลุเร็วพวกกลุ่มที่สี่นี้เป็นพวกปฏิบัติก็ยากบรรลุก็ช้า กิเลสนาะปัญญาทึบเนี่ยนี่คือนักษณะของผู้ปฏิบัติธรรมก็ขอให้พวกเราผู้มาปฏิบัติธรรมลองวิเคราะห์ดูว่าอยู่ในกลุ่มไหนกันแล้วจะได้มาแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆถ้าเรามีกิเลสหนาะ เราก็ต้องพยายามขัดเกลากิเลสอยู่บ่อยๆอย่าทําตามใจกิเลสกิเลสชอบเที่ยวชอบกินชอบดื่มก็ต้องฝืนมันบังคับมันแต่แม้จะยากก็ต้องอดทนถ้ามันขัดเกลากิเลสไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เบาบางลงไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะไม่เป็นอุปสรรค ต่อการปฏิบัติธรรม <c oughs> พวกนี้ต้องมีความเพียรพยายามมากต้องมีความอดทนมากในการที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่างๆที่มาเป็นอุปสรรคกีดขวางการปฏิบัติการทำจิตใจให้สงบ <c oughs> ถ้าเป็นพวกที่มีปัญญาทึบ ก, ก็ต้องพยายามอา วขวนควาศึกษาความรู้วิชาความรู้ต่างๆมันศึกษามันฟังเทศฟังธรรมฟังไปเรื่อยๆฟังจนหูฉีกฟังไปอ่านหนังสือธรรมะไปะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็พยายามตั้งใจฟังไปฟังบ่อยๆฟังซ้ำๆเดี๋ยวมันก็ล้องออกขึ้นมาเองอ สำหรับพวกที่ปัญญาทึบมันต้องเป็นแบบนี้ต้องพยายามพยายามฟังบ่อยๆศึกษาธรรมะบ่อยๆพราเป็นวิชาที่เหมือนกับวิชาคณิตศาสตร์นี่พวกฟิสิกส์พวกอะไรนี้เป็นวิชาที่ต้องใช้การคิดมากใช้จินตนาการถ้าจินตนาการไม่เป็นนี่ฉันนึกภาพไม่ออก แ้่ถ้านึกไม่ออกก็ลองซ้อมหัดไปเรื่อยหัดเรียนไปเรื่อยแล้วก็พยายามอยู่ใกล้คนฉลาดอยู่ใกล้คนมีปัญญาแล้วเวลาเราไม่เข้าใจอะไรเราจะได้ถามเขาได้ถ้าไปอยู่กับพวกง่อด้วยกันพวกปัญญาทึบด้วยกันก็จะไม่มีใครที่จะมาะช่วย ทำความกระจ่างให้กับเราได้เพราะฉนั้นถ้าอยากจะมีปัญญาอยากจะมีความรู้ความฉลาดต้องเป็นผู้ฝ่ธรรมเป็นผู้ฝ่การศึกษาใฝ่รู้ในสมัยพุทธกาลนี้พระพุทธเจ้ายกย่องพระอาหนอนว่าเป็นผู้ไฝ่รู้พระอาหนอนท่าน คิดว่าท่านยังไม่ฉลาดท่านก็เลยฝ่รู้ใฝ่ศึกษาฝ่ ฟ, ฟังธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าขอติดตามพระพุทธเจ้าประทุกครั้งเวลาที่พระพุทธเจ้าไปทรงแสดงธรรมที่ไหนเนี่ยพระานนท์นี้ขอติดตามไปด้วยเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการรับหน้าที่ของ เป็นผู้โอปปะทาพระพุทธเจ้าเพราะรู้ว่าถ้าอยู่ใกล้กับคนฉลาดคือพระพุทธเจ้าตนเองก็มีโอกาสที่จะฉลาดขึ้นมาได้แต่รู้ว่าวิการที่จะฉลาดได้ไม่ใช่อยู่ใกล้เฉยๆแต่ไม่สนใจที่จะศึกษาคําสั่งคําสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกไม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองผู้ที่เกาะชายผ้าเหลืองของพระพุทธเจ้านี้ ต้องสนใจศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพระอนุนก็เลยขอพรว่าถ้าจะให้รับตำแหน่งก็ขอให้ได้ติดตามพระองค์ไปเวลาที่ทรงแสดงธรรมในที่ต่างๆเพื่อจะได้ศึกษาฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือถ้าเวลาที่ไม่ได้ติดตามไป ก็ขอให้พระพุทธเจ้ากลับมาแสดงทำโปรดพระอนน์อีกครั้งหนึ่งทมที่ทรงไปแสดงในที่ต่างๆถ้าวันไหนพระอานนต์ไม่ได้ติดตามไปขอให้พระพุทธเจ้ามาแสดงให้กับพระอานนต์อีกครั้งหนึ่งนี่คือวิธีของผู้ที่ไม่ฉลาดผู้ที่ขาดปัญญาหรือปัญญาทึบที่จะทำให้ตนเองฉลาด มีปัญญาแหลมคมขึ้นมาได้ก็คือที่อยู่คือมีการใยรู้ใยศึกษาสนใจหาความรู้อยู่เรื่อยๆไม่ใช่ปล่อยให้เวลาผ่านไปกับการเที่ยวเตะกับการเล่นอะไรต่างๆเอาเวลามาศึกษาหาวิชาความรู้เนี่ยนะพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ที่อยู่ในพระสุตรตันตะปิฎกเนี่ยพระไตรปิฎกมีสามเนี่ยพระสุตรตันตะปิฎกคือทำที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในสถานที่ต่างๆนี้ว่าอานุ์จำได้หมดเลยเวลามีการสังคยาณาธรรมครั้งแรกหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงนิพพานไปแล้วนี่ ก็มีพระอาน์นี้นะเป็นผู้ที่มาเป็นผู้ทบทวนคำสอนต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่แต่ในช่วงนั้นช่วงที่ก่อนจะมีการสังคยาเนี่ยพระอานุนยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์มีมีการกำหนด โดยพระอาหารหันตเถระให้พระอาหันตห้าร้อยลูกเนี่ยผู้ที่เข้าใจธรรมต่างๆที่พระตเจ้าได้ส่งแสดงไว้นี้มาช่วยสังขยนณามาช่วยทบทวนตรวจตราว่าธรรมต่างๆที่ได้จดจำกันมานี้ถูกต้องหรือผิดพลาดตรงไหนบ้างอย่างไรแต่เขาต้องการพระอานอนท์มาร่วมด้วย แต่พาาระอนุนี้ยังไม่ได้บรรลุเป็นพาาระอรหันต์กำลังไปปฏิบัติเพราะว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดั บ, ดบขันธทาปรนิพานไปแล้วพาาระอนุนก็มีเวลาว่างมีเวลาที่จะได้ไปบำเพ็ญปฏิบัติไปปีกวิเวก และมีกําลังใจจากพระพุทธเจ้าได้รับกําลังใจจากพระพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธเจ้าจะจากไปท่านบอกกับพระอา น, นุ์ว่าอา น, นุ์เธอไม่ต้องเสียใจในการจากไปของเราเพราะว่าหลังจากที่เราจากไปสามเดือนเธอจะบรรลุเป็นพระอารหันต์อันนี้เป็นกําลังใจที่ทําให้พระอานน์นี้ไปเร่งทําความเพีย ตลอดระยะเวลาสามเดือนจนถึงคืนสุดท้ายยังไม่บรรลุจึงทำให้เกิดความวิตกตังวลขึ้นมาว่าคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าครั้งนี้คงจะเป็นครั้งแรกที่ไม่ตรงกับความความจริงใจก็เลยวุ่นวายไปกับคำพยากรณ์ วุ่นวายไปกับความอยากที่จะบรรลกุก็เลยไม่สามารถบรรลุจนใกล้สว่างกตง็ตรงว่านี่ก็จะครบสามเดือนแล้วเดี๋ยวสว่างนี้ก็ครบสามเดือนเราก็ยังไม่บรรลุสักทีพยายามยังไงก็ไม่บรรลุสักทีใจก็มัวแต่กังวลกับคำพยากรณ์ กังวลกับความอยากที่จะบรรลุยินงทำให้ไม่บรรลุอนในที่สุดก็เลยต้องปลงา่าคงไม่บรรลุแนละ้วรอนนี้ก็เกือบจะสว่างแนละ้วก็เลยเหนื่อยไปพักผ่อนหลับนอนดีกว่าพอช่วงที่ไปพักเตียมช่วงที่จะไปหลับนอนอยู่ในระหว่างท่านั่งกับท่านอน จิตก็บรรลุขึ้นมาทันทีเพราะช่วงนั้นจิตเป็นปัจจุบันจิตปล่อยวางอาดีตคือคำพยากรณ์ของ พ, พระพุทธเจ้าปล่อยวางอนาคตคือการได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์พอจิตปล่อยวางอาดีตปล่อยวางอนาคตมาอยู่ปัจจุบันปล่อยวางความอยากต่างๆจิตก็เลยบรรลุขึ้นมา ก็เลยสามารถเข้าร่วมประชุมได้ในวันนุ่งขึ้นพอรบรรลุเป็นพระอาหารหันต์การสังคยาพระไตไปดกพระคําสอนของพระพุทธเจ้าครั้งแรกนี้ได้มีการกระทำขึ้นสามเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ส่งปาลินิพานคือตายจากโลกนี้ไปพระเทระพระผู้ใหญ่ ที่เห็นคุณค่าของพระธรรมคําสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าจึงจัดให้มีการมาทบทวนความจําต่างๆเพราะสมัยนั้นไม่มีหนังสือไม่มีสื่ออย่างที่เรามีสื่อบันทึกเช่นวีดีโอหรือเครื่องอัดเสียงถ้ามีก็ไม่ต้องสังคายนากันถ้าเป็นเสียงพระพุทธเจ้าใครจะมาว่าไม่ใช่เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้า แต่สมัยนั้นมันไม่มีแต่สมัยนั้นมีแต่ฟังกันแล้วก็จํากันจํากันแล้วก็มาถ่ายทอดให้ผู้ที่มาทีหลังเพราะตลอดระยะเวลา45ปีก็มีคนตายไปบ้างมีคนมาเข้ามาใหม่บ้างก็มีการถ่ายทอดสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนที่ได้จดจํากันมา ทีนี้ก็อาจจะมีการคาดเคลื่อนพระเถระผู้ใหญ่ที่เป็นพระอรหันต์ท่านเจึงมีความอารอบคอบมีความพยายามที่จะมาชำระคำสอนของพระเจ้าให้สะอาดบริสุทธิ์าะอาจจะมีความจำที่แปลกปอมเข้ามาได้ ไม่เชื่อลองเอาคนสิบคนมานั่งกันอยู่เนี่ยแล้วให้คนแรกพูดอะไรสักประโยคหนึ่งแล้วให้คนที่สองฟังแล้วให้คนที่สองพูดให้คนที่สามฟังเนี่ยพอให้ถึงคนที่สิบให้กลับมาพูดกับคนแรกนี่เชื่อไหมพูดไม่เหมือนกันนะทำไมเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะเวลาคนฟังมันบางทีตั้งใจฟังก็มีไม่ตั้งใจฟังก็มีใช่ไเวลาไม่ตั้งใจฟังก็ฟัง แล้วก็ฟังไม่ได้ครบที่เขาพูดเนีเราเอาความจำของตัวเองความคิดของตัวเองเติมเข้าไป เ, เห็นไมพอมาถึงคนที่สิบนี่ไม่รู้กลายเป็นคำไม่รู้เป็นอะไรไปแล้วพอเอากลับมาให้คนที่หนึ่งฟังฟังไม่รู้เรื่องเฮ้เราไม่ได้พูดอย่างนี้ซะหน่อยหน่อ น, นี่คือความกังวลของพะระเถระกลัว ว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจะวิบัติเนี่ยจะเสียหายก็เลยต้องเรียกพระอาราหันห้าร500้อยรูปมาร่วมประชมกันเพราะว่าพระอ า, าราห์นอกจากได้ยินได้ฟังแล้วยังมีธรรมแท้อยู่ในใจที่จะสามารถรับรองทำที่ได้ยินได้ฟังว่าตรงกับความเป็นจริงหรือไมออ่ถ้าไม่ใช่เป็นพระอ า, าราหันนี้จะไม่รู้ว่าถูกหรือผิดเนี่ ถ้าเขาบอกพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ถ้าไม่เป็นพ้าอาหาันฟังแล้วไม่รู้ว่าถูกหรือผิดแต่ถ้าเป็นพระผ้ะอาอารหันนี้ถ้าผิดรู้ทันทีถึงแม้จะบอกว่าพระพุทธเจ้าพูดก็ไม่เชื่อเพราะเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงพูดเพราะสิ่งที่พระเจ้าทรงพูดทรงเห็นมันไม่ได้เป็นเหมือนสิ่งที่เขาพูดกันอันนี้เคอประโยชน์ ของการมีพระอาหารหันต์มาทาสังขยาณาพระธรรมคำสอนถ้าไม่เป็นพระอาหารหันต์เป็นคนธรรมดา ม, มันก็เละเทะไปหมดนะเพราะว่าสิ่งที่ได้ยินนี้ตอนเองก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงนะพรายังไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์แต่ถ้าเป็นพระอาหารหันต์นี้ทำทุกบททุกบาทที่พระเจ้าทรงตัดไวน้นี้จะรู้ว่าเป็นจริงหรือไม่ เวลาที่ผู้ที่จดจำมาทบทวนให้ฟังนี่คือเรื่องของพระอานุนผู้เป็นที่พระพุทธเจ้าส่งยกย่องว่าเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาเป็นผู้ที่มีความสนใจที่จะฝึกฝนอบรมสร้างปัญญาบรารมี การจะมีปัญญาบารมีมีความรู้ความฉลาดก็ต้องอยู่ใกล้กับอยู่ใกล้คนฉลาดเนี่ยทำไมเราจึงส่งลูกไปโรงเรียนอ่ะทำไมไม่ส่งลูกไปตามบาตามผับ์ะก็เพราะว่าตามบาตามผมันคนมีความรู้มันไม่มีต้องส่งไปโรงเรียนคนโรงเรียนมีครูจบปริญญามากัน ตามบาตามผับนี่ไม่รู้จบปอสี 4, ป่ปอหกหรือเปล่าก็ไม่รู้รู้เพียงแต่ขายเหล้าอย่างเดียวขายเหล้าขายเบียร์นั่นในมงคลสูตรท่านดึงแสดงไว้ว่าให้คบคนฉลาดอย่าคบคนงอ้ออเซวนาจะบาลานังบันฑิตานันจะเซวนา เอตมังกาลมุตตะมังเป็นมงคลอย่างยิ่งอย่ากคบคนโง่ให้คบคนฉลาดเพราะคบคนโง่มันจะพาให้เราโง่ตามคบคนฉลาดก็จะทําให้เราฉลาดตามออคบคนฉลาดเขาก็จะมีเรื่องฉลาดมาพูดมาเล่าให้เราฟังคบคนโง่ก็จะมีแต่เรื่องของความโง่มาเล่าให้เราฟังกันเราก็จะโง่ตามเขา ถึงสอนอยากคบคนโง่ภาษาบาลีท่านเรียกคนโง่ว่าคนผานไม่ใช่ผานแบบที่เราใช้ในภาษาไทยอันนี้ผานแบบกิเลสจะเรียกว่าเป็นโง่ะจะเป็นพานก็ได้เหมือนกันคนที่มีความโง่มักจะเป็นคนผานไม่มีไม่ยอมฟังเหตุฟังผลแต่คนฉลาดนี้จะฟังเหตุฟังผล จะายามรับเหตุรับผลนี่คือวิธีที่จะทำให้เราฉลาดแล้วพอเวลาเรามาปฏิบัติธรรมจะได้บรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วเนีย่ยตอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครัง้งแรกนี่มีผู้ฟังอยู่ห้าคนพระปัญจวัคคีพระปัญจาวาคัคคีนี้ก็ าการทําใจให้สงบได้เท่ากันทุกคนสามารถปฏิบัติจิตทำจิตให้สงบเป็นสมาธิได้แต่ไม่มีปัญญาที่จะทําให้บรรลุธรรมได้ต้องรอให้มีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาบอกทำให้ฟังพอพระพุทธเจ้าสแสดงธรรมครั้งแรกสแสดงพระอริยสัจสี่สแสดงตายลักให้แก่พระปัญจวัคคี ก็มีเพียงคนเดียวพระองค์เดียวที่บรรลุธรรมได้ทันทีในขณะที่ฝังนะก็เพราะว่าพระอัญญาณโกณัญญะนี้มีความรู้ความฉลาดมากกว่าพระบรญจวกขี่อีกสี่รูปนี่แหละคือเรื่องของปัญญาบา ร, รมีของแต่ละคนที่มีไม่เท่ากันนะ เราสามารถเห็นได้ในทุกวงการคนที่มีปัญญาบา ร, รมีนี่มักจะเป็นคนที่จะเป็นหัวหน้ากันเป็นผู้นํากันเรียนหนังสือก็จะเรียนเก่งฉลาดสอบได้ที่หนึ่งพวกไม่มีปัญญาบา ร, รมีก็สอบได้ที่โหลเวลานั่งฟังครูสอนก็ชอบนั่งอยู่ข้างข้างหนังห้อง ไม่ไม่ชอบนั่งอยู่ข้างหน้าห้องกลัวเดี๋ยวครูถามแล้วตอบอะไรไม่ได้ต้องหลบไปนั่งอยู่ข้างหลังเพราะเวลาฟังใจก็เหม่อลอยไม่มีสติที่จะตั้งใจฟังคําสอนของครูพอครูถามอะไรก็จะตอบไม่ได้ก็อายเพื่อนก็อยากมักจะหลบไปนั่งข้างหลังกันะแต่พวกที่ชัพวกที่ฉลาดพวกที่ตั้งใจฟังนี่เขาชอบนั่งข้างหน้า เพราะนั่งข้างหน้าฟังได้ชัดกว่าแล้วก็ไม่กลัวครูจะถามอะไรเพราะพวกนี้ฟังแล้วจําได้ทันทีตั้งใจฟังพอครูถามอะไรก็จะตอบได้ทันทีนี่คือลักษณะของปัญญาของแต่ละคนมีมากมีน้อยต่างกันเราจึงมีผู้นำมีผู้ตามผู้นำนี้มักจะเป็นคนฉลาด แต่ผู้ตามนี้เป็นพวกที่ไม่ฉลาดคิดอะไรเองไม่เป็นต้องรอให้หัวหน้าสั่งให้ทำอย่างนี้ว้ยทำอย่างนั้นวเ้ยถึงจะทากันถ้าไม่มีใครสั่งก็นั่งเล่นกันนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ไปนั่งดื่มกาแฟกันไปแต่พอเจ้านายมาปับ๊บเฮ้ททำอย่างงั้นทำอย่างนีนทงน้ทีนี้ก็รีบทำกันใหญ่นี่คือลักษณะของคนฉลาดกับของคนไม่ฉลาด ของคนที่มีปัญญาแหลมคมกับคนที่มีปัญญาทึบเนี่ยอันนี้ก็พอเข้ามาในวงการปฏิบัติทำมันก็มาเลยทาให้แยกอยู่กันคนละกลุ่มกันไปกลุ่มของคนฉลาดเขาก็อยู่กลุ่มหนึ่งกลุ่มของคนไม่ฉลาดก็อยู่อีกกลุ่มหนึ่งเราจึงมีสี่กลุ่มด้วยกันใน กลุ่มของผู้ปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติยากปฏิบัติง่ายรู้ชา้ารู้เร็วแบ่งเป็นสี่กลุ่มเราต้องมาตรวจตาตัวเราเองแล้วว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนเราอยู่ในกลุ่มปฏิบัติยากหรือปฏิบัติง่ายเราอยู่ในกลุ่มที่รู้เร็วหรือรู้ชา้าถ้าเราจะได้รู้ว่าเราบกพร่องอะไร ถ้าเราจะได้มาแก้ไขในส่วนที่เราบกคล่องถ้าเราปฏิบัติยากแสดงว่ากิเลสเราหนานิวรณ์เยอะกามฉันทะเยอะมีความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสมากชอบเที่ยวชอบเล่นชอบดูชอบฟังพวกนี้ถ้าอยากจะปฏิบัติสมาธินี้ต้อง พยายามหัดถือศีลแปดกันพยายามห้ามตอนต้นล้อมค อ, อกมันไว้ก่อนล้อมค อ, อกการมาฉันทะด้วยศีลไปก่อนถือศีลแปดพอถือศีลแปดเวลาอยากจะอะดูหนังฟังเพลงก็บอกอ๋อดูไม่ได้ถูกห้ามเพราะเราถือศีลอยู่เนี่ยยให้มาอยู่วัดเนี่ยถือศีลแปดกันสำหรับพวกที่ยังมีการมาฉันทะอยู่ ต้องพยายามลดละกามัฉันทะลดลดละในการเสพรูปเสียงเกิดลดให้น้อยลงไปด้วยการสังวร อ, อินทรีย์หรือศีลศีล ส, ส, สังวรสังวรคือสำรวมตาหูจมูกรินกายอย่าไปดูหนังอย่าไปฟังเพลงอย่าไปกินขนมอย่าไปดื่มกาแฟดื่มเครื่องดื่มอะไรต่างๆอ ถ้าหิวน้ำก็ดื่มน้ำเปล่าไปได้แต่อย่าดื่มอย่าดื่มเพื่อลดเพื่อชาติของของเครื่องดื่มอันนี้มันเป็นการมาฉันทะมันจะทำให้เวลานั่งสมาธินั่งไม่ได้เพราะใจมันจะคิดแต่เรื่องขนมกาแฟแทนที่ให้คิดพุทโธพุทโธเดี๋ยวก็คิดถึงกาแฟขึ้นมาเดี๋ยวก็คิดถึงขนมขึ้นมาเดี๋ยวก็คิดถึง ครขึ้นมาเดี๋ยวก็คิดถึงเพลงนั้นเพลงนี้ขึ้นมาก็จะเกิดความอยากพออยากแล้วเวลานั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้ผลเห็นเราต้องมาขัดเกาวกิเลศมาปราบกําจัดนิวรการวชฉันทะนี้นก็ต้องใช้การรักษาศีลแปดเนี่ยเป็นวิธีที่เราจะมาขัดเกา กามมาฉันทะให้มันเบาบางลงระหว่างถือศีลแปดกับถือศีลห้านี้มันมีความแตกต่างกันต่อผลของการนั่งสมาธิถือศีลแปด น, นี่โอกาสที่จะนั่งสมาธิมีมากกว่าผู้ที่ถือศีลห้าเพราะผู้ที่ถือถือศีลห้านี่ไม่ถูกห้ามอยากจะดูหนังก็ดูได้อยากจะฟังเพลงก็ฟังได้ อยากจะกินข้าวเย็นก็กินได้เ อ, อพวกถือศีลห้าก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิกันเพราะจะเอาเวลาไปดูหนังฟังเพลงไปกินขนมไปกินอาหารเย็นกันนั่นเองเออแต่พวกที่ถือศีลแปดนี้ทําไม่ไดออ้ก็เลยมีเวลาว่างดูหนังเพื่อไม่ได้ฟังเพลงก็ไม่ได้กินขนมก็ไม่ได้เดิมเครื่องเดิมก็ไม่ได้เออ จะดื่มจะกินก็ต้องให้ดื่มกินตามเวลาไม่ให้เกินเที่ยงวันไปแล้วก็เลยทำให้มีเวลาที่จะมาฝึกสมาธิได้นี่คือตัวอย่างประโยชน์ของศีลห้ากับศีลแปดศีลห้านี้เพียงแต่ป้องกันไม่ให้เราไปเกิดในอบายถ้าเราถือศีลห้าได้เราไม่ต้องไปเกิดในอบาย ไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสูรกายไม่ต้องไปตกนรกแต่จะไม่สามารถดึงเราให้ขึ้นสูงได้ให้ขึ้นสู่ระดับพรหมโลกได้ผู้ที่จะขึ้นไปพรหมโลกต้องอาศัยการรักษาศีลแปดเพื่อมาหยุดกามะชันทะตัวที่เป็นตัวกีดขวางกามฉชันทะนี้เป็นตัวที่จะดึงให้จิต เกิดในกามะภพนั่นเองอแต่ถ้าอยากจะไปสูงกว่ากามะภพคือไปสู่ภพของเทวดาภพของพรหมเนี่ยก็ต้องถือศีลแปดเนี่ยใส่ชุดขาวนี้เป็นพรหมจันทร์นะพรหมจันทร์ก็คือผู้ดำเนินตามพรหมนี่เองผู้ดำเนินวิถีชีวิตแบบพรหมเรียกว่าพรหมจันทร์นะพรหมมาจันทร์ไม่เสพกามนะ ไ, ไม่นอนหลับกับแฟนเ ไม่เที่ยวไม่ดูไม่กินไม่ดื่มไม่ฟังเพื่อหาความสุขจากสิ่งจากการกระทาเหล่านี้ให้เอาเวลามาปฏิบัติธรรมคือมาฝึกสมาธิมาทำใจให้สงบนั่นเองนี่คือวิธีที่เราจะใช้ในการกำจัดอุปสรรคคือกามัฉันทะที่ทำให้การปฏิบัติธรรมยาก พอเรากําจัดการมฉันทะได้แล้วก็เหมือนเราเอาสิ่งกีดขวางที่ขวางทางเดินอยู่นี้ให้ออกไปมันก็เลยทําให้เราเดินเดินทางไปได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะแต่นอกจากการมัฉันทะาแล้วมันยังมีความโกรธอกีกความโกรธเราก็ต้องมาหัดแผ่เมตตากันมาฝึกแผ่เมตตา สัพเพสัตตาเอเวลาโหนตุเนี่ยวิธีที่จะทําให้เราหายโกรธคือเราต้องให้อภั ย, ยไม่จองเวรจองกรรมกันเวลาใครเขาพูดเขาทาอะไรแล้วเราไม่พอใจหรือทําให้เราเสียหายเดือดร้อนแทนที่จะไปอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมเราก็มาแผ่เมตตาให้กับเขาเนี่ย ให้อภัยเขาไปไม่เป็นไรคิดเสีย ว, ว่ า, ามันก็เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ก็พูดสิ่งที่ก็ททำมันก็ผ่านไปแล้วมาเอามาเป็นเป็นอารมณ์ในใจทำไมทำให้ใจร้อนใจไม่สงบนั่งสมาธิไม่ได้ถต่อยากจะนั่งสมาธิทำใจให้สงบเวลากฎ โกรธใครก็ต้องให้อภัยเขาไปอย่าถือโทษโกรธเคืองกันนะไม่งั้นมันจะค้างอยู่ในใจเนี่ยพอมานั่งพุทโธเดี๋ยวก็คิดถึงเขาแล้วหาเฮ้ยทานู้นี้ขึ้นมานะ <c oughs> เดี๋ยวก็ไม่มีวันที่จะสงบได้แต่พอพอให้อภัยปั๊บก็เลยลืมไปเลยยกโทษให้เขาแล้วไม่จองเวรจองกรรมกันะนะ เราจะได้เห็นคุณประโยชน์ของการแผ่เมตตาว่ามันช่วยกำจัดนิวรณ์ให้เรานะกำจัดความโกรธกำจัดไฟนรกเนี่ยคนที่ไปตกนรกก็เพราะความโกรธเนี่ยเวลาโกรธใครมากๆนี่ฆ่าได้นะแม้แต่ลูกยังฆ่าแม่ได้เลยแม่เอาเข้าวมาส่งช้าหน่อยนะนี่แล้วก็เห็นกล่องข้าวเล็กนิดเดียวโกรธฮนะทา ง, งานท้าเป็นท่าตายเอาเข้าวมาให้กินแค่นี้เองอนะ โอโหโกรธมากยังกระทั่งฆ่าแม่ได้พอฆ่าเสร็จพอมานั่งกินข้าวกินไม่หมดนะเอเพราะความโลภเวลามันหิวนี่มันเห็นอะไรนี่ไม่พอกินนะ ไ, ไห้ไม่เวลาเราหิวตักข้าวกันเยอะใช่ไหมพอกินเข้าไปแล้วบางทีเหลือครึ่งจานเนะี่ยกินไม่ลงเนะวลาโลภนี่มันหลอกเรามันหลอกว่าโอ้ยต้องกินเยอะๆถึงจะอิ่มนะ พอกินเข้าไปจริงๆแล้วบางทีกินได้เพียงครึ่งจานกินไม่ลงนะนี่คือความโกรธตัวที่จะขาดขวางการทําใจให้สงบเรียกว่านิวรณ์ตัวที่สองความโกรธเนี่ยเราต้องใช้การแผ่เมตตาฝึกฝึกแผ่เมตตาอย่าไปถือโทษโกรธเครื่องกันนให้อภัยกันใครเดินมาเราก็ เดินชนเราโดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแล้วก็อย่าไปโกรธเขาเพราะมันก็ชนแล้วมันก็ผ่านไปแล้วเหตุการณ์โกรธมันก็ทําให้เราเจ็บสองเด้งเท่านั้นเองเจ็บร่างกายแล้วก็ต้องมาเจ็บใจถ้าเราไม่โกรธเราให้อภยัยแล้วก็เจ็บเด้งเดียวเรื่องอะไรไปเจ็บสองเด้งทําไมแล้วพอโกรธแล้วพอจะไปนั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้แล้วสิ พราะโกรธไอ้คนที่เพิ่งมาทำให้เราโกรธเนีอยแต่ถ้าเรารู้จักให้อภัยแล้วมันก็จะไม่ติดค้างในใจเรามันเป็นอดีตไปแล้วเอามาคิดให้มันหนักอกหนักใจร้อนอกร้อนใจไปทำไมเหตุการณ์ต่างๆพอมันเกิดปุ๊บมันหายไปแล้วแต่เรายังเอามาคิดเอามาแบกอยู่นั่นนะคนเขาด่าเรามอเช้านี้ตอนเย็นก็ยังแบกอยู่นั่นเนะ่ยให้หาวัดด่า ก, กูได้อย่างงู้นอย่าง แต่ถ้าให้อภัยเขาได้แล้วสบายมันด่าดแล้วก็จบวิธีที่จะให้อภัยได้ก็คิดว่าเราห้ามเขาไม่ได้เนี่ยปากเขาเราห้ามเขาได้ไหมเขาจะพูดอะไรเราไปสั่งเขาได้เปล่าไม่ได้เหรอ mm hmm. เหมือนกับฟ้าร้องนี่เราไปฝังเราห้ามฟ้าไม่ให้ร้องได้เปล่าแล้วเราโกรธฟ้าก็เปล่าเวลามันร้องไม่โกรธเนี่ยแล้วาคนด่าเราไปโกรธกันทำไม ก็มองว่ามันเป็นเหมือนเสียงฟ้าล้องก็หมดเรื่องนี่คือวิธีที่จะทำให้เราอะให้อภัยใครได้ใครทำให้เราเจ็บเราก็ห้ามเขาได้หรือเปล่าไม่ได้เวลาฝนตกมันทำให้เราเปียกเราโกรธฝนหรือเปล่าไม่โกรธนะแต่เวลาใครทำน้าหกใส่เสื้อเราหน่อยนี่โกรธเลยมั้ยอมันก็เปียกเหมือนกันนะแต่ทาไมไปโกรธทำไมทให้โกรธคนแต่ไม่โกรธฝนนะ อก็เพราะเราคิดว่าคนนี้มันไม่ควรจะทํำใช่ไหมแต่เราคิดว่าฝนนี่มันมันทําตามประศีภาษาของมันไม่รู้ว่ามันทําใครอแต่ความจริงแล้วเหมือนกันะคนก็เหมือนกับฝนเนี่ยหะเราก็ห้ามเขาไม่ได้อยู่ดีะเขาทําแล้วมันผ่านไปแล้วอก็เหมือนโดนฝนสาดแล้วมันก็เปียกเหมือนกันเอให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะให้อภัยได้ คิดอย่างนี้เราจะได้รู้ว่าเราโง่หรือเราฉลาดถ้าเราโกรธก็แสดงว่าเราโง่เรากําลังไปโกรธฝนเนี่ยโกรธฝนได้อะไรโกรธนั้นไม่ได้อะไรโกรธคนก็เหมือนกโกรธฝนนั่นแหละเพราะคนมันก็เหมือนฝนนะเพราะเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ออให้คิดอย่างนี้แล้วต่อไปเราจะให้อาภัยได้แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นปุ๊บมันก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ว มันจะไม่ตกข้างค้างอยู่ในใจของเราพอเราจะไปนั่งสมาธิก็ไม่มีอะไรมาคอยกีดขวางความสงบความโกรธนี่เป็นตัวสำคัญที่จะกีดขวางทำใจของเราให้สงบกันอันนี้คือนิวรตัวที่สองคือความโกรธตัวที่สามก็คือความหลงความหลงก็คือความไม่รู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริง ว่าท่านเป็นเป็นอย่างไรมีจริงหรือไม่จริงเนี่ยบางทียังนังเลยสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าเอคําสอนของพุทธเจ้าที่สอนว่านั่งสมาธิแล้วจะพบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งปวงนี่เป็นจริงหรือเปล่าพระอริยสงสารผู้ดได้ปฏิบัติตามคําสอนได้พบสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบนี้มีจริงหรือเปล่า ถ้ายังมีความลังเลสงสัยก็แสดงว่ายังหลงอยู่ยังไม่มีความเชื่อมัน่นวิธีแก้ก็คือก็ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บ่อยๆแต่ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แท้นะอย่าไปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทียมนะถ้าไปเจอภาพเทียมมันก็เจอภาพปลอมนั่นแหละเหมือนกับเจอเพชรเทียมเพชรเทียมกับเพชรแท้มันไม่เหมือนกัน พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แท้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทียมก็ไม่เหมือนกันพระพุทธตอนนี้ไม่มีแล้วพระพุทธพระพุทธตอนนี้เข้าไปอยู่ในพระธรรมแล้วอยู่ในพระไตรปิฎกถ้าอยากจะพบกับพระพุทธแท้พระธรรมแท้ก็ต้องไปที่พระไตรปิฎกไปอ่านพระสูตรต่างๆที่ได้ทรงแสดงไว้เช่นมงกลสูตรเนี่ยนะไม่ให้คบคนโง่ให้คบคนฉลาด ให้บูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาเพราะนี่คือการทํทำให้เกิดมงคลขึ้นมากับชีวิตของพวกเราถ้าถ้าไปปฏิบัติตามก็จะได้ผลตามที่ได้ส่งสอนทุกประการไม่มีการหลอกลวงไม่มีการโกหกถ้าได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกแล้วนํามาไปปฏิบัติจะเห็นผล เห็นผลแล้วเท่นี้ก็จะไม่สงสัยแล้วว่าพระพูดพระธรรมพระสงฆ์นี้มีจริงหรือไม่มีจริงถ้ามีพระอริยสงฆ์ก็ไปศึกษากับพระอริยสงฆ์ก็ได้พระอริยสงฆ์ก็จะสอนตามที่พุทธเจ้าได้สรงสั่งสอนแล้วพอนําเอาไปปฏิบัติตามก็จะได้อย่างที่สรงที่ได้บอกได้สอนมา แต่ถ้าไปศึกษากับพระเทียมเนี่ยพระเทียมก็บอกว่าเอาไปสร้างพระกันไปสร้างนู่นสร้างนี่กันสร้างแล้วได้อะไรมันไม่รู้สึกจะได้อะไรสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่โตบเบิ่มเอ้แต่ไม่รู้สร้างไว้ทำไมเห็นไม้มอันนี้มันต้องไปหาพระจริงนะพระจริงยังไม่สอนให้สร้างพระข้างนอกก็ได้ไมสอนให้สร้างพระข้างใน พระแท้อยู่ข้างในคือพระอริยบุคคลมีสี่พระด้วยกันพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ไม่ได้บอกให้ญาติโยมไปสร้างพระอิดพระปูนกันเนี่ยอี่านี้มีแต่สร้างพระอิดพระปูนกันเต็มไปหมดเลยสร้างกันองค์มั่วเลิศเท่มเลยเนี่ใหญ่โตมาหัวลานแล้วเป็นยังไงแล้วคนสร้างเป็นพระขึ้นมาหรเปล่า ไม่ได้เป็นะคนสร้างก็ยังเป็นคนมีกิเลสหนาเหมือนเดิมน่ะแต่ถ้าสร้างพระข้างในแล้วเนี่ยคนคนสร้างพระนั่นแหละจะเป็นพระขึ้นมาในใจเป็นพระขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ท่านสร้างพระข้างในทั้งนั้น่ะพระพุทธเจ้าท่านก็สร้างพระข้างในพระอรหันต์ท่านก็สร้างพระข้างในท่านถึงได้เป็นพระพุทธเจ้าถึงได้เป็นพระอรหันต์กัน พวกที่ไปสร้างพระข้างนอกก็ไม่ได้เป็นพระเท่านั้นเองเป็นแพะอาจริงไหมเนี่ยในพูดตามความเป็นจริงพวกที่ไปสร้างพระข้างนอกนี้เป็นพระเป็นพระกันหรือเปล่ามีมีปรากฏไห้ว่าสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่แล้วจะเป็นพระอารหันต์มีไหมไม่มีหรอกทําไมไม่มาสร้างพระข้างในกันนะพระข้างในมันง่ายจะตายไปไม่ต้อง ซื้ออิดซื้อปูนมาไม่ต้องไปจ้างช่างมาปั้นกันฮนะขอให้เรามีมีความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติตามคําสอนที่จะศึกษาคาสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองนะเราก็จะสามารถสร้างพระข้างในไดนะ้นี่คือการเข้าหาพระแท้กับพระเทียมจะต่างกันเพราะถ้าไปหาพระเทียมนี่จะเจอคําสอนแปลกๆทำให้งงกันนะ สำนักหนึ่งก็สอนให้ทำอย่างนั้นสัมอีกสำนักหนึ่งก็สอนให้ทำอย่างนี้แต่ไม่มีสำนักไหนสอนให้สร้างพระข้างใหมกันอมีแต่ให้ทำนูน่นทำนี่ข้างนอกสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ใหญ่โตมโหรานทำพิธีกรรมสะดอกเคราะห์ต่างๆสวดมนต์ข้ามปงข้ามปีกัน <laughs> อันนี้แหละพระเทียมนังนั้นนี่คำสอนของพระเทียมดนั้นสอนพวกนี้ สอนถ้าสอนใด้สะเดาะเคระก็พระเทียมแล้วอสอนให้สวดมนต์ข้ามปีก็พระเทียมแล้วทำไมต้องมาสวดข้ามปีทําไมไม่สวดทุกคืนมะถ้ามันดีจริงก็ต้องสวดทุกคืนเลยว่าเราสวยนี่คือวิธีกําจัดความรังเลยสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ว่ามีจริงหรือไม่คำสอนเป็นสวากขาโตภักวตาธรรมโมหรือไม่ทำที่ตัดไว้ชอบแล้วทั้งเหตุทั้งผลนำเอาไปปฏิบัติแล้วจะได้ผลอย่างที่ได้ทรงรับประกันไว้ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีเนี่ยอันนี้ต้องเข้าหาพระแท้นะถึงจะมีความมั่นใจ ว่าพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นของจริงของแท้ของเลิศของประเสรศิฐนะแล้วจะทําให้เราไม่ลังเลสงสัยในการปฏิบัติตามคําสอนสอนให้ถือศีลก็ถือเพื่อกําจัดนิวรณ์สอนให้แผ่เมตตาเพื่อกําจัดความโกรธก็จะทำนะสอนให้ไปนั่งสมาธิเจริญสติก็จะทําตามะ พอมีความเชื่อมั่นในคําสอนเชื่อว่าไม่ถูกหลอกแล้วทีนี้ก็กล้าทํากันใช่ไหมเหมือนคนที่ขายประกันนี่เวลาเข้ามาขายเราบางทีเราก็ไม่มั่นใจเราก็ไม่อยากจะซื้อใช่ไหมมันโฆษณาว่าประกันอย่างนั้นอ ย, อย่างนี้เดี๋ยวเกิดเวลาถึงเวลาจริงๆไปเคลมไม่ได้เงินจะทำํำไงก็ไม่อยากจะซื้อประกันจากเขานะ ต้องให้มีใครมารับประกันอีกทีต้องไปติดต่อที่บริษัทโดยตรงถึงจะมั่นใจกว่าถ้ากล่าคนที่มาจากที่ไหนก็ไม่รู้มาขายประกันให้กับเราอันนี้ก็เหมือนกันพระพระพระแท้กับพระเทียมก็บแบบนี้พระแท้ก็ต้องไปที่บริษัทประกันเลยจะได้มีความมั่นใจว่าเป็นบริษัท มีจริงๆรับประกันจริงๆแต่ถ้ามีเซลแมนมาขายนี้ไม่รู้มันมาหลอกหรือเปล่าก็ไม่รูอ้อาจจะเอาเงินเราไปแต่ไม่เอาไปส่งให้บริษัทประกันก็ได้พอถึงเวลาบริษัทประกันก็บอกอา้าวคุณไม่ส่งเบีย้ยประกันมาแล้วคุณจะมามาเคลมได้ยังไง อ, อันนี้ก็แบบเดียวกันเราต้องเข้าหาพระแท้ถ้าหาพระเป็นไม่ได้ก็เอาพระในพระไตาปิดก็ได้และ เอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ไปศึกษาได้อาจจะยากต่อการเข้าใจเพราะว่าอ่านแล้วอาจจะไม่เข้าใจก็อาจต้องอ่านหลายๆครั้งหลายๆรอบแล้วเดี๋ยวก็เข้าใจเองอนี่คือการกําจัดนิวรณ์ความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงจะแก้ความนังเลยสงสัยได้ เหมือนกับเวลาซื้อประกันถ้าไม่มั่นใจคนขายก็ไปซื้อที่บริษัทเนี่ยถ้าไปซื้อบริษัทแล้วที่มั่นใจแนละ้วเขารับประกันแน่นอนอันนี้เทวดามาบอกว่าขอให้หยุดแล้วมั้งเอาอางนั้นก็เอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะจะให้พร ยะถาวาเลวะหาปุราปริปเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิชิต an ังปฏิตังตุมห um ังคิดป้เมวะสมิจจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาหระโสยะถามณีโชติ อราโสยทาสัพพิิโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวะ อภิวาทนาสิลิสะนิจังุทธาปจายโนยตาโรธรมมวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียว หลังจากที่เลิกแล้วก็จะของดถามงดตอบอยากจะถามถ้าไม่ถามเองจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้เป็นไงทางถ่ายทอสดสดมีปัญหาไหมก็ไม่ไม่มีค่ะ จาก Facebook 274, YouTube 322, ยวิทยุออนไลน์ 12, บรับฟังบนเขาส0สิรวมห3 8้สสท่านค่ะโอเคอเดี๋ยวใช้ไมค์หน่อยจะได้ยินทั่วถึงกันเพราะไปถึงทั่วโลกนะไปทั่วโลก <c oughs> พูดใกล้ปากหน่อยผมมีคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติครับ อยาก อ, อ, อยากมีแนวทางในการปฏิบัติครับก็ต้องศึกษาต้องศึกษาการศึกษาก็ต้องใช้เวลาคือจะสรุปก็ได้แต่อาจจะไม่เข้าใจอาจจะต้องใช้เวลาศึกษาเรื่อยๆยฟังเทศฟังธรรมเนี่ยถ้ามาฟังที่นี่อยู่บ่อยๆเดีย๋ยวก็จะเข้าใจวิธีการปฏิบัติซึ่งตอนนี้ผมผม อยากทราบว่าในการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานควรจะต้องมีการทั้งทั้งเดินและทั้งนั่งไปควบคู่ไปพร้อมกันใช่ไหมครับคืออันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยไงถ้าปฏิบัติน้อยเริ่มต้นนี้เราส่วนใหญ่จะเน้นในการนั่งกันแต่ถ้าเราปฏิบัติมากเราก็ต้องเปลี่ยนท่านั่งนานๆมันก็ปวดก็เมื่อยเราก็เปลี่ยนขึ้นมาเดินปฏิบัติ แต่ถ้าเราทำแค่วันละสิบชสิบห้านาทียี่สิบนาทีมันก็เพียงแต่นั่งอย่างเดียวก็เหลือกินละแต่ถ้าปฏิบัติไปอยู่ตามที่เขาฝึกนี่ไปเข้าคอร์สนี้เขาจะให้ปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเขาก็ต้องเปลี่ยนแนวปฏิบัติสลับกันนั่งบ้างเดินบ้างเพราะร่างกายมันจะได้ไม่ชำรุดทุดโทมไม่พิกลพิการ ถ้าให้นั่งทั้งวันทั้งคืนอย่างเดียวเดียวมันก็พิการขึ้นมาได้เป็นเป็นเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ก็เลยมีการเปลี่ยนนั่งานานๆชั่วโมงสองชั่วโมงกใกล้ลุกขึ้นมาเดินสักชั่วโมงสลับกันไปอย่างนี้แต่การปฏิบัติทางจิตใจเหมือนกันคือต้องคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดต้องใช้พุโทโธพุโทโธไป เวลาเดินกับพุโทโธพุโทโธเวลานั่งกับพุโทโธพุโทโธนี้เพื่อหยุดความคิดถ้าหยุดความคิดได้ใจจะนิ่งสงบแล้วจะพบกับความสุขเนี่ยสิ่งที่เราต้องการจากการปฏิบัติก็คือความสุขนี้อพอปฏิบัติแล้วจิตสงบได้ความสุขมันก็ไม่ต้องไปเที่ยวแล้วไม่ต้องใช้เงินใช้ทองความสุขที่ไดจากการนั่งสมาธิดีกว่าความสุขที่ไดจากการเที่ยวจั ก, การใช้เงินใช้ทอง ต่อไปเราก็ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการหาเงินหาทองมาวุ่นวายกับการนั่งสมาธิดีกว่าทําใจให้สงบดีกว่าครับเ อ, อข้อสุดท้ายครับผมอยากทราบว่าเวลาถ้าผมจะเดินนยครับหลวงพ่อครับเ อ, อผมควรจะกําหนดจิตหรือ อ, อตั้งจิตไว้ที่ตรงไหนควรจะเ อ, อกําหนดควรจะทำอย่างไรครับก็ดูมีสองจุดที่เราจะตั้งจิตเวลาเราเดิน ดูที่เท้าก็ได้ครับเวลาเดินก็ดูที่เท้าซ้ายขวาซ้ายขวาไปแล้วก็ต้องมองทางด้วยไม่ใช่ดูแต่เท้าเดี๋ยวเดินชนก่อนนะเดินไปก็เดินไปข้างหน้าเราเดินไปทำมันไปไหนมาไหนแล้วก็เดินไปเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนเราอาจจะปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เวลาเราเดินจงกรมเราจะไม่ให้มันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มันอยู่กับการดูเท้าไปแทน คิว่ากำลังก้าเท้าซ้ายกําลังก้าวเท้าขวาไปหรือว่าถ้าเราไม่อยากจะดูเท้าก็ใช้พุทโธแทนก็ได้พุทโธเดินไปกับพุทโธพุทโธไปคอยสกัดความคิดคอยกําจัดความคิดนะเท่ <c oughs> นั้นเองแต่มันจะไม่สงบเหมือนกับเวลานั่งถ้าต้องการให้สงบก็ต้องเดินสักพักหนึ่งพอเมื่อแล้วเราก็มานั่งต่อนั่งแล้วก็พุทโธต่อก็ได้หรือเปลี่ยนจากการ พุทโธมาดูลมหายใจก็ได้หายใจเข้าหายใจออกที่ปลายจมูกก็ได้หรือที่หน้าท้องก็ได้หน้าท้องเวลามันหายใจเข้ามันก็จะพองออกมาเวลาหายใจออกมันก็จะยุบเข้าไปเขาก็จะมักใช้ใชการพวดยุบหนอพองหนอตามลมหายใจเข้าออกไป เพื่อคอยควบคุมความคิดเหมือนกันอย่าปล่อยให้ใจคิดถ้ามันคิดก็อย่าไปคุยกับมันอย่าไปสนใจมันให้เราสนใจอยู่กับยุบหนอพองหนอหรือพุโทโธพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวเจตดก็จะสงบแล้วก็จะมีความสุขขึ้นมาแล้วเราจำเป็นไหมครับว่านั่งกับนั่งกับเดินเราใช้เวลาเท่าๆกันครับแล้วแต่เราจะพอใจ ถ้าเดินเดินแล้วเรามีความสุขจากการเดินอยากจะเดินนานกว่านั่งก็ได้การเดินมันจะทำให้เราฝึกสติพอเรามีสติแล้วเวลานั่งจิตมันจะสงบง่ายแลสะสงบได้นานน <Okay. S 2> ะโอเคมาทางนี้ต่อ ถามพระอาจารย์ค่ะเกี่ยวกับการตัดสินจะตัดสินคนอื่นแล้วก็เหตุการณ์คือจากคําคำสอนที่พระพุทธเจ้าที่ว่าอย่าเชื่ออะไรง่ายๆ อ, อ, อ, อันนี้ก็คือว่าจากประสบการณ์ตัวเองบางครั้งเราเราไปอยู่จากไปที่ ท, ที่หนึ่งหรือไปเจอคนคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแต่งตัวลักษณะอย่างนี้คงจะเป็นคนแบบนี้ ระบบอ่าไปเจอสถานการณ์นี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือเราควรทําใจที่เป็นกลางใช่ไหมคะไม่ควรจะตัดสินก็รอดูไปก่อนเนี่ยรอดูไปก่อนถ้ามันเราอาจจะไม่ตรงกับที่เราคิดก็ได้ค่ะขณ น, น, นที่เรายังไม่ได้พิสูจน์แน่ใจรอเปอร์เซ็นตก็อย่าเพิ่งไปสรุปร อ, อดูไปก่อนฟังหูไว้หูฟังหูไว้หูหสิ่งที่แน่ใจได้เราก็ทําไปเลยเช่นเงินเนี่ย เชื่อใจว่าใช้ได้ไม่ใช่พอใครให้เงินมาก็รับได้เลย oh. อันนี้พอเราได้พิสูจน์แล้วว่าเงินพอเรารับมาเราเอาไปใช้มันก็ใช้ได้ oh. นี่เราก็เชื่อได้แต่ถ้าเอาเงินที่เราไม่รู้จักมาเราก็อาจจะต้องให้เอาไปใช้ได้หรือเปล่าเช่ mm hmm. นกขเอาเงินต่างประเทศมาให้เราเราก็ไม่รู้ว่าเอาไปใช้ได้หรือเปล่าก็ต้องบอกอไปที่ธนาคารกันหน่อยได้ไหม ไอพิสูจน์กันเลยอย่างนั้น<ฮ>คือแบบนี้อย่าเชื่อบางทีคนเอาทองปลอมมาหลอกเอาทองจริงเราก็มีใช่<ฮ>บอกพี่ผมรีบต้องการเงินสดเนี่ยผมจะต้องไปทำธุระอะไรเียผมมีทองห้าบาทพี่ขอแลกทองสองบาทของพี่ได้ไหมค่ะอย่างนี้ถ้าเราเชื่อเขาก็เชื่อโอ้ได้ห้าบาทแลกสองบาททําไม่เอา แต่ไม่รู้ว่าเป็นทองเกรหรือเปล่าถ้าอยากจะพิสูจน์ก็เดี๋ยวไปที่ร้านทองกันก่อนอแต่พวกนี้มันก็เก่งไปเข้าไปตอนที่ไปร้านทองมันก็เอาทองทองแท้มาให้ช่างทองเขาดูเขาบอกว่าทองจริงพอ เ, เอามาจะมาให้เรามันสลับไปแล้วโดยที่ไม่รู้สึกตัวมันมีสองกระเป๋าแกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาพอเวลาไปที่ร้านทองก็เอาของแท้มาให้เขาดู พอถึงเวลาออกจากร้านทองก็หยิบของของเก๊มาให้เราก็ได้ฉะนั้นเราต้องเอาตอนที่ต่อหน้าเลยถ้าทองแท้ก็เอามันตอนนั้นเลยแล้วเอาของเราไปสงบาทดูซิมันจะยอมไหมเราต้องฉลาดรู้ทันของอย่างนี้ไม่ใช่บางทีความโล้แล้วมันหลงไปเชื่อก็ไปหมดเลยจยิ่งพอไปร้านทองบอกว่าเป็นของจริงโอ้ยยิ่งโอ้โหยิ่งมีความมั่นใจใหญ่ เขาบอกเดี๋ยวไปเอาข้างนอกเนี่ยพอไปข้างนอกเขาเปลี่ยนกระเป๋าแหละเอาทองแท้ใส่กระเป๋าซ้ายเอาทองเอาทองเก๊ใส่จากกระเป๋าขวาออกมาให้เราก็ได้เพราะทองเก๊ทองแท้มันดูยากนะมันเหมือนกันเงั้นเราต้องฉลาดรู้ทันถ้าไม่มั่นใจก็อย่าไปยุ่งดีกว่าส่วนใหญ่มันเป็นไปไม่ได้หรอกอยู่ดีๆคนก็จะเอาเงินมา มาให้เราโดยที่เขาไม่ได้อะไรมันไม่มีทางหรอก<ะ>เขาเข้าเหยื่อมาล่อเรามากกว่าเราไม่รู้อย่าโลภทุอย่างแล้วลาบไม่หายเขาโบราณเขาว่าโลภมากมากรลาบหายเข้าใจหมแล้วระหว่างที่เราคิดอยู่อะค่ะกำลังตัดสินใจเราจะไม่เราจะรู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเรารู้สึกว่าเรา ความคิดยุ่งเหยิงมากตรงนี้นตัดใจไปเลยถ้ายุ่งเหยิงไม่เอาไนเลยหมดเรื่องมันจะลาบใหญ่ขนาดไหนก็ถือว่าไม่ใช่ของเราก็แล้วกันแต่อย่างน้อยเราก็ไม่ไม่ถูกเขาหลอกไม่มีหลอกอยู่ดีๆคนก็จะเอาของดีมาให้เรานอกจากเป็นพระเท่านั้นเนี่ยถ้าเป็นพระเนี่ยญาติโยมเอาของดีมาให้เท่านั้น แต่ถ้าคนอื่นแล้วยากที่เขาอยู่ดีๆไม่รู้จักเราเขาจะม า, อาของดีๆมาให้เราทําไมใช่ไหมถ้าของดีจริงเขาเก็บไว้แล้วจะมาให้เราทําไมค่ะนะแต่พวกเรามันโลภขี้โลภกัน <c oughs> อยากจะได้ของง่ายๆ <c oughs> พอมีคนเสนอ ว, วิธีง่ายๆก็มาตกหลุมพรางเลยอ่ะต่อไปก็จะถามพระอาจาย์ค่ะ คือจะจะจะวิธีระงับโกรธอะคะ่ะเพราะว่าตัวเองเป็นคนขี้โกรธก็เลยเมื่อสักครู่พระอาจารย์เทศแล้วอะคะ่ะแต่ว่าเวลาที่มีเพื่อนหรือใครว่าอะไรเราเนี่ยสิ่งแรกที่จะเข้ามาคือพยายามคิดว่าเอ๊ะเขามองยังไง เขาโกรธเราจากอะไรหรือว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงพูดแบบนี้คือพยายามปิหาเหตุผลจากตัวเขาก็เลยคิดวนไปวนมาก็คิดไม่ตกอันนี้ถ้าไม่ตกก็หยุดคิดสิคิดได้แต่พอมันถึงจุดหนึ่งว่าคิดแล้วไม่เกิดประโยชน์ไดก็หยุดคิดใช้พุโทโธพุธโทโธหยุดมันไปก็พุโทโธก็ไม่อยู่ค่ะอยู่ถ้าพุโทโธไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวมันก็อยู่ แต่ถ้าพุโทโธสองครั้งสามครั้งเราหยุดพุดโทโธมันก็ไม่อยู่อ่ะต้องพุโทโธไปเหมือนเหยียบเรบรกอะวนไปวนมาทั้งคืนเลยค่ะระอาจารย์พุโทโธไปเรื่อยๆพุโทโธจริงๆห้านาทีสิบนาทีมันก็อยู่แล้วแต่เรามันไม่พุโทโธเรื่อยๆพุโทโธได้แป๊บหนึ่งหยุดอีกแล้วกลับไปคิดอีกแล้วมันก็เลยทั้งคืนอ่ะแต่ถ้าพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวไม่เกินห้านาทีสิบนาทีคิดว่าน่าจะดีลีตออกไปจากชีวิตดีหรือเปล่าคะอะไรประมาณนั้น ก็ไม่มีเรามันเอามันออกจากใจเราก็พอแล้วล่ะอย่าให้มันเข้ามาในใจแล้วใจเราไม่วุ่นวายนลอยู่กับมันได้อยู่กับบุคคลที่ทำให้เราโกรธได้ถ้าใจเราไม่โกรธค่ะต้องเอามาฝึกตัวเองฝึกพุทโธบ่อยๆตอนนี้พุทโธเราไม่ไม่มีกาลังพุทโธได้สองคำก็กลับไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธล่ะมันก็เลยไม่หายโกรธ ค่ะต้องให้อยู่กับพุทธโธอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับเรื่องที่ทําให้เราโกรธแล้วเดี๋ยวมันก็จะจางหายไปแต่มันขยับแล้วค่ค่ะคือแบบเห็นลายมานี่คือแบบไม่อยากอา่านก็เยอะก็อย่าไปอ่านก็ดีแลเนี่ยไม่ได้อ่านมันทําไมมาอ่านแล้วมันทําให้เราเป็นบ้าไปอ่านมันทําไมอ่ะเ <c oughs> หนก็ลบทิ้งไปลบทิ้งไปก็หมดเรื่องอนะสบายกว่า <c oughs> ต่อไปคำถามจากผู้รับฟังบนนี้นะคะคำถามที่หนึ่งผู้ที่เข้ากระแสพระนิพพานแล้วจะมีเหตุปัจจัยผลักดันให้ถึงพระนิพพานไหมคะมันก็กระแสมันผลักดันไปเองกระแสของของการปฏิบัติของเรามันเหมือนมันเหมือนกับมีพลังของมันในตัว มันก็จะผักดันไปให้ปฏิบัติแบบไม่หยุดเหมือนไฟที่เราจุดแล้วเนี่ยพอจุดแล้วมันจะไม่มันก็จะลามไปเชื้ออยู่ตรงไหนมันก็จะลามไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปจุดมันอยู่เรื่อยๆเหมือนจุดเทียนครั้งเดียวไม่ต้องไปจุดมันหลายครั้งใช่ไพอจุดเทียนครั้งเดียวมันก็เริ่มเผาไปเรื่อยๆจนกว่าเชื้อมันจะหมดไป คำถาม ท, ที่สองกรณีที่เราปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องทุกวันระยะหนึ่งต่อมาวันหนึ่งก็ขี้เกียจไม่อยากภาวนาเลยเร่าร้อนจะออกไปเสพกิเลสควรทําอย่างไรคะก็พยายามฝืนมันถ้าปฏิบัติไม่ได้ก็พักได้แต่อย่าไปทางกิเลสเท่านั้นคือ อ, อาจจะเหนื่อยบ้างท้อบ้างกออ็อยู่เฉยๆบ้างก็ได้แต่อย่าให้มันไปทางกิเลสนะถ้ามันไปแล้วมันจะกลับยาก แต่ถ้ามันเพียงแต่พักเดี๋ยวพอมันหายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวมันก็เริ่มปฏิบัติต่อได้พักได้บ้างการปฏิบัติก็มีมีท้อบ้างมีไหลบ้างกําลังใจมันขึ้นขึ้นลงลงช่วงที่กําลังใจอ่อนมันปฏิบัติไม่ไหวก็ปฏิบัติแบบเบาๆแบบสบายๆไปไม่ต้องทุ่มเทพอประครับประคองใจให้มันอยู่ในศีลในธรรมอย่าให้มันไหลไปกับกิเลส ถึงแม้ว่าจะสู้กับข้ากิเลสไม่ได้ก็อย่างน้อยก็อยากให้มันลากราไปแล้วพอเราเริ่มมีกำลังพอได้พักแล้วมีกำลังกลับคืนมาใหม่เราก็ค่อยลุยใหม่สู้กับมันใหม่ต่อไปคำถามจากคุณนิยาการทรมานใจตนเองไม่ให้ทำตามกิเลสมันทรมานมากเจ้าค่ะแต่เราก็ต้องอาศัยการอดทนใช่ไหมเจ้าค่ะ ส่วนนึงก็การอดทนอีกส่วนหนึ่งก็ต้องมีสติถึงจะสู้ไหวถ้าไม่มีสติเดี๋ยวมันมันทนไม่ไหวนะถ้ามีสติมันจะค่อยบรรเทาเพราะสติเราเพิ่มมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นแล้วความทรมานมันก็จะเบาลงเพราะจิตมันจะเริ่มเบาลงสงบขึ้นความทรมานก็จะน้อยลงแต่ถ้าไม่มีสติเลยไม่พุทโทเลยปล่อยให้มัน ต่อยอย่างเดียวนี่เดี๋ยวทนไม่ไหวมันทรมานจนเดี๋ยวทนไม่ไหวเดี๋ยวเ็าเรียก ว, ว่าตบาบะแตกคำถามจากคุณวาชิมีสองคำถามนะคะคำถามที่หนึ่งการไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมชั้นไหนที่จะไม่ตกไปสู่อบายอีกและจะหลุดพ้นในที่สุดมีไหมครับ อ, อ๋ออบายนี่จะตกลงไปก็ตามเมื่อไปทำบาป หรือมีบาปในใจมากกว่ามีบุญถ้าตัาบใดเราพยายามสร้างบุญให้มากกว่าบาปมันก็ไม่ตกแต่ถ้าจะไม่ให้ตกแบบถาวรอะไรก็ต้องเข้าสู่กระแสพระนิพพา น, านต้องไปเป็นพระโสดาบันขึ้นไปเพราะกระแสนิพพานจะจะพาไปสู่นิพพานมันจะไม่พาไปสู่อวบาย ก็มีสองวิธีถ้ายังไม่ได้เข้าสู่กระแสก็ต้องพยายามรักษาบุญให้มีมากกว่าบาปทำบุญให้มันมากกว่าบาปทำบาปให้น้อยทาบุญให้มากถึงแม้ว่ายังจะมีบาปอยู่ในใจแต่มันยังส่งผลไม่ได้เพราะว่าบุญมันมีกำลังมากกว่าบุญก็จะส่งผลไปก่อน คำถามที่สองการเข้าสมาธิให้อยู่แต่คํภาวนาถือเป็นสมถะอันนี้เข้าใจถูกต้องแล้วใช่ไหมครับและจะถอยออกมาใช้ปัญญาพิจารณาให้เป็นพิปัสสนาต้องทำอย่างไรครับก็เราให้จิตมันถอยออกมาเองอย่าไปดึงมันดันมันเข้าไปแทบเป็นแทบตายพอมันเข้าไปแล้วก็ไปดึงมันออกไม่ใช่การนั่งสมาธิเพื่อดันให้มันเข้าไปข้างในให้มันอยู่ข้างในให้มันเติมพลัง สมาธิเป็นที่เติมพลังให้กับใจเติมมืเบกขาพอมันเข้าไปข้างในอย่าไปดึงมันออกพยายามดันมันให้อยู่ข้างในให้นานที่สุดพอมันจะออกทนไม่ไหวสู้มไม่ไหวก็ปล่อยมันออกพอมันออกมาทีนี้ก็ค่อยมาจเจริญปัญญาได้มาพิจารณาไตรลักพิจารณาอริยสัจสีพิจารณาอสุภะได้คําถามจะคุณเบญจวัรณ ถ้าเราตั้งใจจะให้อภัยคนที่ทำร้ายเราแต่ทุกครั้งที่เราให้อภัยเขาจะกลับมาทำร้ายเราเหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวรจนบางครั้งเราอยากจะให้เขาได้รับโทษในสิ่งที่เขาทำกับเราเราควรจะทำอย่างไรเจ้าดีเจ้าคะเราไม่เข้าใจหลักของการให้อภัยการให้อภัยนี้ไม่ได้อยู่อยู่ที่ไปห้ามไม่ให้เขาทำอะไรกับเราการให้อภัยนี้เป็นการห้ามไม่ให้ใจเราสร้างไฟนรกขึ้นมา สร้างความโกรธขึ้นม า, าถ้าเราให้อภัยแล้วเราดับความโกรธได้ต่อไปเขาจะทำกี่ร้อยครั้งมันก็ไม่ทำให้ไฟโกรธเกิดขึ้นมาในใจเราเป้าหมายเราอยู่ที่การรักษาใจเราไม่ใช่อยู่ที่การไปปา่าไปห้ามไม่ให้เขามาทำไม่ดีไม่ร้ายกับเราเขาเราควบคุมบังคับเขาไม่ได้เขาเหมือนฝนห้ามฝนไม่ตกไม่ได้หรือห้าม ห้ามมันหนนี่ได้แล้วอยากจะห้ามไม่ให้มันตกขาวหน้ามันห้ามไม่ได้หรอกงั้นจะห้ามให้คนก็ไม่มาทําร้ายเราไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราไม่ให้ไปโกรธเขาได้นที่เราทํานี้เราไม่ไปห้ามเขาห้ามความโกรธของเราห้ามการสร้างไฟนรกไฟแห่งความโกรธให้มันมาเผาใจเราต่างหากงั้นเราไม่ได้ไปหวังอะไรจากเขาแต่เมื่อเรารู้จักห้ามความโกรธได้ต่อไปเขาด่าเราก็ทําร้ายเราไงเราก็ไม่โกรธนะ พอไม่กดนะมันก็เราก็สบายเขาเหนื่อยเองอ่ะเดี๋ยวเขาก็หยุดเองจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการที่ไปอยู่วัดที่ปฏิบัติจะเห็นแม่ชีหรือผู้ปฏิบัติที่บวชหรือถือศีลมานานหลายปีแต่ละคนจะมาแนะนำเรื่องการปฏิบัติ บางก็บอกว่าอย่างคนนี้ควรจะเข้าไปถามได้อย่างคนนี้ไม่ควรถามคนนั่งสมาธิหลับไม่ได้ประโยชน์อย่างนี้จะมีวิธีดูคนประเภทไหนอย่างไรว่าคนไหนควรจะอยู่ใกล้ชิดและถามการปฏิบัติได้ไม่หลงทางเจ้าคะเราก็ต้องไปหาอาจารย์นะไปวัดก็ต้องไปหาผู้นำนะํำให้ผู้นําเป็นผู้สั่งผู้สอนส่วนพวกผู้ช่วยนี่ก็เป็นเหมือนเสียงนกเสียงกา ฟังหูไหวหูทางที่ดีอย่าไปสนิทสนมกับใครอดีที่สุดจะได้ไม่ต้องมารับรู้เรื่องเดี๋ยวส่วนใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องทะเลาะเบาแวงกันเกียรติคนนั้นรักคนนี้ก็มาแนะนําให้เราเกียรติคนนั้นรักคนนี้เห็นการไปอยู่วัดนี่เราไม่ไปสังคมกับใครเราไปศึกษาไปฟังเทศฟังธรรมจากพระอาจารย์ใหญ่คนเดียวพอ แล้วพอเวลาเราก็ไปปฏิบัติของเราคนเดียวเวลามาทํากิจกรรมร่วมกันก็อยากคุยกันมีสติพุโทโธพุโทโธของเราไปถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาก็ไม่มายุ่งกับเราหรอกเขาพูดอะไรก็ค่ายิ้มให้เขาแล้วก็พุโทโธเราต่อไปมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอเขาหย่มาก็ตอบกลับไปเดี๋ยวก็กลายเป็นเรื่องยาวไปแล้ ปัญหาก็คือเราบางทีอดไม่ได้พอเขาชวนคุยหน่อยโอ้ยยาวเลยทีนี้งั้นทางที่ดีอย่าไปคุยกับใครดีกว่าเพราะมันไปปฏิบัติธรรมนี้เพื่อไปหยุดความคิดหยุดการคุยกันไม่ใช่ไปคุยกันไปรับรู้เรื่องราวต่างๆของคนในวัดไม่เราไปสนใจเราไปหาความสงบใครจะพูอะไรก็คะคะรับทราบครับผมครับผมแล้วก็พุโทโธของเราต่อไป ไไไม่ตตต้ออองปบโะรคำถามจากคุณปุ้ยพีพระอริยะเมื่อถึงวาระแล้วต้องเข้าสู่วิสุทธิเทพเลยหรือไม่หรือสามารถกำหนดจิตไม่ให้เข้าสู่วิสุทธิเทพได้ครับอ๋อก็แล้วแต่ว่าอยู่ในระดับไหนพระสุวรบันนี้ถ้าตายไปยังกลับมาเกิดในกามภพอยู่ก็เป็นเป็นเทวดาก็ได้หรือเป็นมนุษย์ก็ได้ แต่พอได้พ้ขั้นอนาคามีไปแล้วก็ไม่ไปเกิดในภพธงเทวดาแล้วะไปเกิดในภพของพรหมแทนอันนี้ไปกําหนดไม่ได้มันเป็นไปตามผลของการปฏิบัติเหมือนเรียนหนังสือจบปริญญาโทแล้วจะไปเลือกรับปริญญาตรีไม่ได้เรียนปริญญาโจโทขสิทธิ์เขาก็ให้ปริญญาโทเราการปฏิบัติมันก็มีผลของมันในตัวเราไปเลือกไม่ได้ ถ้าสามขั้นแรกนี้ยังติดในกามาภพอยู่โสดาบานันสกิดาคามีนี้ยังต้องกลับมาเกิดในกามาภพเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะยังตัดก า, มาลมารมณ์ไม่ได้แต่พอผ่านขั้นที่สามตัดก า, มาลมารมณได้แล้วก็ไม่กลับมาเกิดในกาลมาภพไม่เป็นมนุษย์ไม่เป็นเทวดาแต่ยังไปติดฌานขั้นต่างๆอยู่ก็ไปเกิดในพรหมโลกแทน พอไปเป็นผ้าอารหันตะ์ก็จะไม่กลับมาเกิดในไตภพอีกต่อไปคำถามจากคุณสุวพัฒโยนิโสมนาสิการตา ก, กับต่างกับการใช้ความคิดวิเคราะห์อย่างไรเจ้าขนเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะลองไปเปิดดูในกู o g l e ดูโยนิโสมกาแปลว่าอะไรคำถามจากคุณธีระชาติ การทำบุญขณะมีชีวิตปกติกับทำขณะป่วยและรู้ตัวว่าไม่รอดด้วยจำนวนเงินเท่ากันจะได้บุญเท่ากันไหมครับเท่ากันะเพียงแต่ว่าสายว่าเมื่อรู้ไม่รอดแล้วก็รีบทำซะเพราะว่าแต่ดอนที่มีชีวิตอยู่ยังเสียดายยังจ่าปใชาอย่างาอืง่นต่อหนึ่งไม่ระลึลกถึงความตายบ่อยๆจะได้ทำบุญได้มากถ้ายัางคิดว่าไม่ตายมันก็ยังเสียดายเงินอยู่ใช่ไหมแต่พอรู้จะตายแล้วก็รีบทำบุญดีกว่า จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามยานและฌานเป็นอารมณ์หรือเปล่าครับต่างจากความสงบหรือไม่อย่างไรครับเวลากระทบสิ่งต่างๆแล้วเข้าฌานเข้ายานหมายถึงปฏิบัติเช่นไรครับคําว่ายานคือความรู้คําว่าฌานคือความสงบนี่ก่อนละเรื่องกันเข้าฌานก็คือเข้าสมาธินี่ เวลาจิตวุ่นวายไม่รู้จะทํำยังไงดับกิเลสไม่ได้ด้วยด้วยยานก็ดับกิเลสหยุดกิเลสด้วยฌานไปก่อนพุทโธพุทโธเข้าฌานไปหยุดความคิดไปก่อนแต่ถ้ามียานเห็นไตรลักก็ใช้ยานหยุดกิเลสได้ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ ừ, <ừ. S 2> ก็ปัญญานี่เอง ừ, <ừ. S 2> ยานคือปัญญาฌานคือสมาธิ คำถามเจคุณดาดาหนูเคยปฏิบัตินั่งสมาธิแล้วใช้บริกรรมพุทโธแล้วเคยตกหลุมตกบ่อแล้วนิ่งมากมีสติชัดแจ้งมากในเป็นแค่ครั้งเดียวปฏิบัติต่อมาก็สุดแค่มีปิติแล้วถอนหนูต้องทําอย่างไรต่อคะก็พยายามทําไปให้มากๆทําแล้วให้มีสติต่อเนื่องเดี๋ยวมันก็เข้าไปได้อีก คำถามที่สองของคุณดาด้านะคะถ้าเราไม่สามารถคุยหรืออยู่กับพ่อแม่และน้องได้พยายามแล้วคุยกันแล้วก็ไม่ได้เหมือนเราเป็นครอบครัวอยู่ค น, คนละโลกเป็นกรรมอะไรคะแล้วเราควรทำใจอย่างไรไม่ให้เป็นบาปกรรมต่อไปคะออไม่บาปกรรมอะไรหรอกคนเรามีความนึกคิดไม่เหมือนกันเท่านั้นเองอก็ต่างคนต่างอยู่กันไป อ, อย่าก้าวก่ชีวิตของกันและกัน เท่านั้นมันก็ไม่มีการทำบาปทำกรรมอะไรเขาก็อยู่ของเขาเราก็อยู่ของเขาแต่เราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ของเราต่อเขาให้เหมาะสมเราเป็นลูกเราก็ต้องทดแทนบุญคุณต้องมีสัมมาคารวะมีความกตัญญูอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับความที่เรามีความเห็นเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันเมื่อเรามีความเห็นไม่เหมือนกันก็อย่าคุยกันคุยแล้วเดี๋ยวจะทะเลาะกัน ท่านโบราณเขาพูดว่าให้สมานให้ประสานส่วนเหมือนประษาออะไรวะลืมไปแล้วส่วนต่างสมนส่วนต่างประสานส่วนเหมือนถ้าเรามีความต่างก็อย่าเอาไปพูดคุยกันเดี๋ยวทะเลาะ ก, กันแต่ถ้าเรามีความเห็นตรงกันเรื่องเดียวกันชอบเรื่องเดียวกันก็เอามาคุยได้ก็จะไม่ทะเลาะ ก, กันออ มีใครอยากจะถามอีกไหมหนูค่ะอ่าถามเดี๋ยวเอาไมโครโฟนท่าแม่ครูอาจารย์พระอาจารย์สชาติชิชาโตค่ะหนูสงสัยการไปเกิดเป็นนามอักษร น, นะคะคือถ้าอย่างผู้หญิงเราทำบุญเยอะล้วเลือกเลือ ก, เ, อกเกิดไม่ได้ถึงวันนั้นก็ต้องได้เกิดเป็นนามอักษรแล้วอ่านใน ในพุทธประวัติอะนางอักษรก็คือเมียพระอินทร์ท่าน เ, าเราไม่รู้หรอไม่ามาพูดกับเราเรื่องนี้เลยไม่เออมันไม่รู้จริงๆมไม่รู้จะตอบอะไรมันไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรออ่าพอดีถามผิดคนคนที่ตอบไม่ได้ไปหาคนที่เขาตอบได้ะไนะอะวันนี้ฐานมันจะหมดพอดีมั้งเครื่องมันเริ่มลวนแล้วก็เอาแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันนะ ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิษพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธิด